อัตถกาถาและคมภีร์รุ่นต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินัยแล้วสาวกทั้งพระสงฆ์และคฤือหัดก็นําหลักธรรมวินัยนั้นไปเล่าเรียนศึกษาคําสอนหรือพุทธพจน์ส่วนใดที่ยากต้องการคําอธิบายนอกจากบุญถามจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็มีพระสาวกผู้ใหญ่ ที่เป็นอุปชาหรืออาจารย์คอยแนะนำชี้แจงช่วยตอบข้อสงสัยคำอธิบายและคำตอบที่สำคัญก็ได้รับการทรงจำถ่ายทอดต่อกันมาควบคู่กับหลักธรรมวินัยที่เป็นแม่บทนั้นๆจากสาวกรุ่นก่อนสู่สาวกรุ่นหลังต่อมาเมื่อมีการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยเป็นพระตรายปิดกแล้วคำชี้แจงอธิบายเหล่านั้น ก็เป็นระบบและมีลำดับไปตามพระไตรปิฎกด้วยคำอธิบายพุทธพจน์หรือหลักธรรมวินัยหรือคำอธิบายความในพระไตรปิฎกนั้นเรียกว่าอัตถกถาเมื่อมีการทรงจำถ่ายทอดพระไตรปิฎกด้วยวิธีมุขปาฐก็มีการทรงจำถ่ายทอดอัตถกถาประกอบควบคู่มาด้วยจนกระทั่ง เม่มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นลายลักษณ์อักษรนประเทศลังกาประมาณพุทธศักราช460ตำนานก็กล่าวว่าได้มีการจารึกอัฐกถาพร้อมไปด้วยเช่นกันอันหนึ่งพึงสังเกตว่าอุทธพธหรือข้อความในพระไตรปิฎกนั้นในภาษาวิชาการท่านนิยมเรียกว่าบาลีหรือระบาลี หมายถึงพุทธพจน์ ท, ที่รักษาไว้ในพระไตรปิฎกไม่พึงสับสนกับภาษาบาลีคำว่าบาลีมาจากปาละาตุซึ่งแปลว่ารักษาสำหรับบาลีหรือพระไตรปิฎกนั้นท่านทรงจำถ่ายทอดกันมาและจารึกเป็นภาษาบาลีมคตแต่อัตถกถาสืบมาเป็นภาษาสิงห์หน ทั้งนี้สําหรับพระไต ร, รปิฎกนั้นชัดเจนอยู่แล้วในฐานะเป็นตําราแม่บทอยู่ข้างผู้สอนจึงจะต้องรักษาให้คงอยู่อย่างเดิมโดยแม่นยําที่สุดตามพระดํารัสของพระผู้สอนนั้นส่วนอัถกถาเป็นคําอธิบายสําหรับผู้เรียนจึงจะต้องช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีที่สุดเมื่ออัถกถาสืบมาในลังกาก็จึงถ่ายทอดกันเป็นภาษาสิงห์หน จนกระทั่งถึงช่วงพุทธศักราช950ถึง1000พจึงมีพระอาจารย์ผู้ใหญ่เช่นพระพุทธโคสะพระธรรมปาละเดินทางจากชมพูทวีปมาอย่างลังกาและแปลเรียบเรียงอัจฉริากลับเป็นภาษาบาลีมคตยังที่มีอยู่และใช้ศึกษากันในปัจจุบันลักษณะสำคัญของอัจฉริาคือเป็นคำภี ที่อธิบายความในพระไตรปิฎกโดยตรงหมายความว่าพระไตรปิฎกแต่ละสูตรแต่ละส่วนแต่ละตอนแต่ละเรื่องก็มีอัถกถาที่อธิบายจำเพาะสูตรจำเพาะส่วนตอนหรือเรื่องนั้นๆและอธิบายตามลำดับไปโดยอธิบายทั้งคำศัพท์หรือถ้อยคำอธิบายข้อความชี้แจงความหมายขยายความหลักธรรมหลักวินัยและเล่าเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปัจจัยแวดล้อมหรือความเป็นมาของการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสพุทธพจ น, น์นั้นๆหรือเกิดเรื่องราวนั้นๆขึ้นพร้อมทั้งเชื่อมโยงประมวลความเป็นมาเป็นไปต่างๆที่จะช่วยให้เข้าใจพุทธพจน์หรือเรื่องราวในพระไตรปิฎกชัดเจนขึ้นเนื้อหาต่อจากนี้ในหนังสือจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับว่า พระไตรปิฎกแต่ละส่วนอัตถกถาจะเรียกว่าอะไรและผู้เรียบเรียงคือใครในที่นี้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวและคิดว่าจะเกินความจำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปแต่คงดีสำหรับคนที่สนใจศึกษาในรายละเอียดท่านที่สนใจก็หาดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือเล่มนี้ได้เองนะครับดังนั้นจึงขอข้ามไปเนื้อหาต่อไปเลย นอกจากอัตถกถ า, าซึ่งเป็นที่ปรึกษาหลักในการเล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกแล้วคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาบาลีที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆหลังพุทธกาลยังมีอีกมากมายทั้งก่อนยุคอัตถกถ า, าหลังยุคอัตถกถ า, าและแม้ในยุคอัตถกถ า, าเองแต่ไม่ได้เรียบเรียงในรูปลักษณะที่จะเป็นอัตถกถาคัมภีร์สาหรับบางคัมภีร์ เป็นผลงานอิสระของพระเอระผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยท่านเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ท่านจัดวางเองหรือเกิดจากเหตุการณ์พิเศษเช่นการตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยของผู้อื่นเป็นต้นประกรหรือคำภีพิเศษเช่นนี้บางคำภีได้รับความเคารพนับถือและอ้างอิงมากโดยเฉพาะคำภี เนติเปตโกโประเทศและมิลินทปัญหาซึ่งเกิดขึ้นก่อนยุคอัตถกถาในพมา่าจัดเข้าเป็นคำภีในพระไตรปิฎกด้วยอยู่ในหมวดขุ ธ, ธกะนิกายในยุคอัตถกถาคำพีวิสุทธิมัก ข, ของพระพุทธโคสัก์ผู้เป็นพระอัตถกาถาจา์องค์สำคัญแม้จะถือกันว่าเป็นปรกรณ์พิเศษไม่ใช่เป็นอัตถกถา เพราะท่านเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ท่านตั้งเองไม่ใช่อธิบายพระไตรปิฎกตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะแต่ก็ได้รับความนับถือมากเหมือนเป็นอัตถกถารเรียกได้ว่าเป็นคำพีรระดับอัตถกถาประเทศพุทธศาสนาเทราวาดต่างให้ความสำคัญถือเป็นแบบแผนในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาคมภีที่เกิดหลังยุคอัตถกถา ก็มีทั้งคำพีที่อยู่ในสายเดียวกับอัตถกธาถาคือเป็นคำพีที่อธิบายพระไตรปิฎกและอธิบายอัตถกธาถาและอธิบายกันเองเป็นขั้นๆต่อกันไปกับทั้งคำพีนอกสายพระไตรปิฎกเช่นตำนานหรือประวัติและว ย, ยากรเป็นต้นคำพีเหล่านี้มีชื่อเรียกแยกประเภทต่างกันออกไปหลายอย่าง จะกล่าวเฉพาะในสายของอัตถกาถาคือที่อธิบายต่อออกไปจากอัตถกาถาและเฉพาะที่ควรรู้ในที่นี้ก็คือดีกาและอนุดีกา mm. เมื่อเรียงลําดับคาภีในสายพระไตรปิฎกและอัตถกาถาก็จะเป็นดังนี้ 1. บาลีคือพระไตรปิฎก 2. องอัตถกาถา คือคำพีที่อธิบายบาลีหรืออธิบายความในพระไตรปิฎก 3. ดีกาคือคำพีที่อธิบายอัตถกถาหรือขยายความต่อจากอัตถกถา 4. อนุดีกาคือคำพีที่อธิบายขยายความต่อจากดีกาอีกทอดหนึ่งส่วนคำพีชื่ออย่างอื่นต่อจากนี้ไปที่มีอีกหลายประเภท บางทีท่านใช้คำเรียกรวมๆกันไปว่าตัินิมุตแปลว่าคำพีที่พ้นหรือนอกเหนือจากนั้นคำพีพระพุทธศาสนาที่มีอยู่มากมายทั้งในสายและนอกสายพระไตรปิฎกนี้ในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาได้ตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือออกมาแล้วเพียงจำนวนน้อยส่วนมากยังคงค้างอยู่ในใบลานเพิ่งจะมีการตื่นตัว ที่จะตรวจชำระและตีพิมพ์กันมากขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆนี้จึงจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งซึ่งคงไม่นานนักที่ชาวพุทธและผู้สนใจจะได้มีคำภีพุทธศาสนาไว้ศึกษาค้นคว้าอย่างค่อนข้างบริบูรณ์สำหรับคำภีพระไตรปิฎกและอัตถกถานั้นได้มีการตีพิมพ์เป็นเล่มร่างพร้อมแล้วในปีพุทธศักราช 2,535 ส่วนคำพีอื่นๆรุ่นหลังต่อๆมาที่มีค่อนข้างบริบูรณ์พอจะหาได้ไม่ยากก็คือคำพีที่ใช้เรียนในหลักสูตรปรเรียนธรรมเนื่องจากคำพีเหล่านี้มีความสัมพันธ์อธิบายความต่อกันกล่าวคืออัตถกถาอธิบายพระไตรปิฎกและดีกาขยายความต่อจากอัตถกถาหรือต่อจากคมภีระดับอัตกถา จึงจะได้ทำบัญชีลำดับเล่มจับคู่คำภีที่อธิบายกันไว้เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปและเพื่ออำนวยความสะดวกในการโยงข้อมูลระหว่างคำภีสาหรับเนื้อหาในหนังสือต่อไปเป็นบัญชีลำดับเล่มพระไตรปิฎกจับคู่กับอัตถกาถาในรายละเอียดตรงนี้จะค่อนข้างเยอะ มีรายละเอียดและคำบาลีมากซึ่งคิดว่าคงไม่เหมาะที่จะนำมาอัดเสียงแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ยังไม่เหมาะกับประชาชนทั่วไปเท่าไรนักนะครับคงเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกจริงๆสำหรับผู้สนใจก็อยากให้โหลดหนังสือมาศึกษาอ่านเอาเองนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตข้ามตรงส่วนนี้ไปต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับ